วันนี้เป็นวันที่16เมษายนพุทธศักราช2561เป็นวันสุดท้ายวันที่5ของวันหยุดเทศกาลสงการหลังจากวันนี้ไปเทศกาลสงการก็หมดไปวันเวลาก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ ผ่านไปตามวันเวลาวันเวลานี้ท่านเปรียบว่าเป็นเหมือนงูใหญ่ที่เขมือเยือเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยวันเวลาก็จะเขมือบสรบรพสิ่งทั้งหลายไปหมดวันวันหนึ่งเช่นเทศกาลที่ผ่านมานี้คนก็ตายไปหลายร้อยคน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกเวลากลืนกินไปหมดชีวิตของพวกเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นร่างกายของพวกเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกเวลากลืนกินไปแต่ใจของเรานี่เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เป็นสิ่งที่เวลาเกินกินไปไม่ได้เราจึงควรที่จะมาให้ความสำคัญกับใจของเราตอนนี้เราใช้ร่างกายใช้สิ่งต่างๆที่ร่างกายเราหามาได้เป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเราเรามีร่างกายเรา ก็โดยหาความสุขผ่านทางร่างกายกันหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่พอเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วเราจะไม่สามารถจะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราจะไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เวลานั้นใจของเราก็จะต้องหาอย่างอื่นแทนใจของเราเวลาไม่มีร่างกายก็เหมือนกับตอนที่เราต้องออกเดินทางไปต่างประเทศเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ต้องมีเงินตราของประเทศที่เราจะไป ถ้าเราไม่มีเงินตราของประเทศนั้นเราก็จะไม่สามารถซื้อของจำเป็นต่างๆได้ซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อสิ่งที่เราต้องการได้ดังนั้นเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราจึงต้องเตรียมเงินตราของต่างประเทศเอาติดตัวไปกับเราฉันด้เวลาที่ร่างกายเราตายไป ใจของเราก็ต้องไปอยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เป็นเหมือนอีกประเทศหนึ่งคนละาประเทศกับโลกที่ร่างกายเราอยู่โลกที่ร่างกายเราอยู่เราเรียกว่าโลกกาธาตุเป็นโลกที่ทำจากาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วเราก็อาศัยาธาตุทั้งสี่นี้มาให้ความสุขกับเรา แต่พอเราไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากธาตุทั้งสี่ในโลกธาน่านี้แล้วตอนนั้นเวลาเราอยู่ในโลกทิพย์เราต้องอาศัยเงินตราที่ใช้ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์อะไรเป็นเงินทองที่เราใช้ได้ในโลกทิพย์เงินทองที่เราใช้ในโลกทิพย์เรียกว่าบุญ บุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันไว้มากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนจะต้องอาศัยบุญต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วแต่ใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะไปอยู่ในโลกที่ไปรอจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่ จนกว่าเราจะได้กลับมาเกิดใหม่เราถึงจะได้ใช้ร่างกายหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราใหม่ดังนั้นเราควรจะพิ จ, จารณาคิดอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆหมดไป ร่างกายของเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งร่ <c oughs> างกายของเราก็จะต้องยุติบทบาทไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้แต่ถ้าเราเตรียมบุญเตรียมอะไรต่างๆไว้ เตรียมบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเตรียมกันพอเราตายไปร่างกายตายไปเราก็จะสามารถใช้บุญเป็นเงินทองต่อไปได้เราก็จะไปเกิดเราก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์อย่างสบายเหมือนคนที่เตรียมเงินทองของต่างประเทศเอาไว้พอถึงเวลาต้องอดพระยพ เช่นเวลาที่เกิดสงครามในบ้านเมืองคนที่เขามีเงินทองเตรียมมาไว้เขาก็ไปอยู่อย่างสุขสบายแต่คนที่ไม่มีเงินทองของต่างประเทศเตรียมมาไว้ก็ต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยพเพราะว่าไม่มีเงินทองที่จะไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยต้องอาศัย อ, องค์กรของสาธระช า, ชาติอยู่ตามค่ายอพยอพยตามชายแดนเพราะเขาไม่มีเงินทองที่จะซื้อเือซื้อเตก้องบินไม่ไม่มีเงินทองที่จะจ่ายที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้เขาได้ไปอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะว่าเขาไม่มีเงินทองนั่นเอง เขาไม่ได้เตรียมเงินทองไว้ก่อนเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยซื้อมีแต่เงินทองที่ใช้ในประเทศมีแต่ทรัพย์สมบัติที่ใช้ในประเทศมีที่ดินมีบ้านมีตึกมีอะไรต่างๆแต่พอถึงเวลาที่จะต้องออกไปอกพยพไปอย่างกระทันหันเขาก็จะไม่มีเงินทองที่ เขาจะเอาไปใช้ในต่างประเทศได้ก็เลยต้องไปอยู่แบบขอทานดวงจิตดวงใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าไปโดยที่ไม่มีบุญติดตัวไปก็จะไปอยู่แบบขอทานพวกเราที่เวลาเราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญนี่ก็เหมือนกับส่งส่งบุญไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เผื่อเขาไม่ได้มีบุญเอาติดตัวไปเขาก็จะเป็นขอแทนรอรับบุญอยู่ตามวัดตามสถานที่เราทำบุญกันแต่ถ้าเขาได้ทำบุญ้เขามีบุญติดตัวไปเขาก็จะไปอยู่แบบเศรษฐีอยู่แบบสุขอย่างสบายพวกนี้เราก็เรียกว่าพวกเทวดาพวกเทวดาเป็นพวกที่มีบุญติดตัวไป แล้วก็ไม่มีหนี้ที่จะต้องไปชำระแต่ถ้าพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปและยังมีหนี้ที่ต้องไปชำระก็จะต้องไปอยู่แบบขอทานหรือไปอยู่แบบติดคุกติดตารางดังนั้นถ้าเรารู้ว่าอนาคตของพวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องออกจากร่างกายนี้ไป ต้องไปอยู่ในโลกที่ที่ต้องมีบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นเงินทองที่เราจะเอาไว้ใช้อสอยต่างๆในกับสิ่งจำเป็นต่างๆเราคือควรที่จะมาเอาเวลาว่างในวันหยุดต่างๆมาสร้างบุญกันมาเตรียมเงินตราต่างประเทศ เงินตาที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไปบุญที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราทำกันอย่างสม่าเสมอที่จะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วนี้ก็คือให้เราทำบุญทำทานกันอยู่เรื่อยๆรักษาศีลกันอย่างสม่าเสมอรักษาให้มากขึ้นไปตามลำดับ อย่างน้อยก็ต้องรักษาห้าข้อขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาห้าข้อเราจะไปทำผิดแล้วเราจะต้องไปใช้นี่ไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์แทนที่จะไปอยู่อย่างอิสระก็ต้องไปติดคุกติด eigene, ตารางไปอยู่แบบขอท า, านแต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้อย่างน้อยห้าข้อขึ้นไป เราก็จะไม่มีหนี้ที่เราจะต้องไปใช้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพแล้วก็สอนให้เราภาวนาให้เราอบรมจิตใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ระ ง, งับจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมา กแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปอ น, นี้คือบุญทีพ่พวกเราควรที่จะกระทากันอย่างสม่ําเสมอทําให้มากขึ้นไปตามลําดับทําให้สมบูรณ์ทําให้ได้เต็มร้อยวิธีที่จะทําบุญเหล่านี้ให้ได้สําเร็จเราก็ต้องอาศัยบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม ศึกษาพ่อทําคคำสอนเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราไม่ศึกษาพราธรรมคำสอนเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญต่างๆนั่นเองเราจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมกันถือให้ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญพอๆกับการทาบุญทาทาน พอๆกับการรักษาศีลพอๆกับการภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นความรู้ที่จะทำให้เราได้รู้จักวิธีสะสมบุญชนิดต่างๆ เพื่อที่เราจะได้มีบุญไว้เป็นที่พึ่งของเราหลังจากที่เราไม่มีร่างกายเป็นที่พึ่งแล้วให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอไม่มีร่างกายแล้วเราก็จะต้องใช้บุญเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีบุญเราก็จะลำบาก แล้วก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะเอาเวลาว่างที่เรามีอยู่ในแต่ล ะ, ละโอกาสชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็ถูกบีบบังคับไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็พอได้เงินได้ทองมา เราก็ต้องเอาเวลาไปใช้กับการหาความสุขจากการใช้เงินทองจากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจากการไปดูไปฟังสิ่งที่เราอยากดูอยากฟังไปดื่มไปรับประทานสิ่งที่เราอยากดื่มอยากรับประทานเราต้องรู้จักแบ่งเวลา ควรจะรู้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันความสุขที่เราได้ชั่วคราวในโลกนี้หรือว่าความสุขที่เราจะได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราต้องคิดให้รอบครอบเราต้องมองให้เห็นว่าการตายของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของ การเดินทางของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรายัางต้องเดินต่อไปจะเดินไปอย่างมีความสุขหรือจะเดินไปอย่างมีความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการที่เรามีบุญหรือไม่มีบุญติดตัวไปนั่นเองให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆให้คิดว่าร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้ว จะต้องแก่ไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้จะต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จะต้องมีการพัดพลาดจากการไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพราดจากการไปไม่ได้ ให้เราคิดอย่างนี้บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงกับการหาความสุขจากทางร่างกายเพราะเราจะจะรู้ว่าร่างกายของเรานี้เราจะพึ่งมันไปตลอดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้เราจึงต้องหาที่พึ่งอย่างอื่นไว้สำรอง เวลาที่ร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่ของเขาได้เราจะได้มีสิ่งอื่นมาทำหน้าที่แทนเหมือนรถยนต์ในเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเราต้องมีอย่างสำรองไหมเพราะเรารู้ว่าย่างนี้ไม่แน่นอนบางทีวางเวลามันไปถูกตะปูต่ำเข้ามันก็รั่วไม่มีลมยางแตก ถ้าเราไม่มียางสำรองเราก็จะวิ่งไปไม่ได้วิ่งต่อไปไม่ได้รถก็จะต้องจอดต้องรอถอดอยางที่รั่วไปซ่อมไปปะก่อนแล้วถึงเอามาใสา่ให้มันวิ่งต่อไปได้แต่ถ้าเรามียางสำรองไว้ยางอะไรพ อ, อยางล้ อ, อยางแตกไปเส้นหนึ่งเราก็จอดรถแล้วเราก็มีเครื่องมือ ยกลอ้อขึ้นมาถอดล้อออกแล้วก็เอาอยางที่ดีใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็สามารถขับรถวิ่งต่อไปได้ไม่ต้องจอดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องรอให้มีช่างมาเอาอยางไปซ่อมเอาไปปะจะเสียเวลามากนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ควรประมาทกันควรมีอะไรสำรองไว้เผื่อเวลาที่เรา ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราต้องมีที่พึ่งอย่างอื่นแทนที่พึ่งอย่างอื่นที่เราสามารถอาศัยให้ความสุขกับเราได้ก็เรียกว่าบุญนั่นเองบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนา บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมทําไมต้องฟังเทศทางธรรมถ้าไม่ฟังเทศอย่างวันนี้ถ้าไม่มาฟังก็อาจจะไม่รู้ว่าชีวิตของเราต้องอาศัยบุญต่อไปหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วเพราะถ้าเราไม่ฟังธรรมเราอาจจะมีความเห็นผิดไปก็ได้เร า, า จ, จะคิดว่าร่างกายเราพอตายไปชีวิตเราก็จบเราไม่ไปไหนต่อ พอร่างกายตายเราก็ตายไปกับร่างกายยั น, นการทําบุญก็จะเสียเปล่าไปการจะรักษาศีลก็ไม่ได้รับผลอะไรการจะภาวนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าพอร่างกายตายไปก็ไม่มีอะไรต่อไปไม่มีใครไปรับผลบุญไม่มีใครไปรับผลบาปไม่มีใครไปเกิดใหม่ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเผื่ออนาคตทำแต่เฉพาะปัจจุบันอยากจะมีความสุขก็พยายามหาความสุขกันเต็มที่หาเงินหาทองกันให้มากๆอยากจะซื้ออะไรอยากจะไปไหนอยากจะกินอะไรอยากจะเดิมอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็ทำกันให้มันเต็มที่ไปเลย เพราะว่าพอร่างกายตายไปแล้วจะไม่สามารถทำได้แล้วจะไม่มีไม่มีเราอีกต่อไปพอร่างกายตายไปร่างกายก็จะกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปนี่จะเป็นความคิดของคนที่ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมจะมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเห็นเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นว่า ผ, ผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปไม่มีเพราะมีแต่ร่างกายเท่าที่เขาเห็นอยู่เท่านั้นที่เป็นผู้ทําบุญ ท, บทําบาปแล้วพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปก็เอาไปเผากายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปมีใครที่จะไปเกิดใหม่ไม่มีนี่คือ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราได้เข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียว นอกจากร่างกายนี้เรายังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเรามีสองคนด้วยกันคนหนึ่งเรามองเห็นคนที่เรามองเห็นก็คือร่างกายของเราอีกคนที่เรามองไม่เห็นก็คือจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่เราไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นกันแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความคิดกัน แต่เราไปคิดว่าความรู้กับความคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้ฟังจากผู้ที่ได้พิสูจน์แยกแยะร่างกายออกจากจิตใจแล้วเราจะได้ยินว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งจิตใจเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายเป็นร่างกายหยาบร่างกายที่ทามาจากดินน้าลมไฟ ส่วนร่างกายอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าร่างทิพย์กายทิพย์อันนี้ไม่มีไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่เหมือนกับร่างกายเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่คิดได้ที่ไม่มีวันตายที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญและทาบาปและจะเป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปจากการกระทําผ่านทางร่างกาย นี่เป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ากันก่อนที่ไม่ฟังเทศไม่ศึกษาพราะธรรมคำสอนเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายเขาจะคิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นส่วนเดียวกัน พอ autant, ไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีจิตใจจิตใจก็ตายไปกับร่างกายแต่มีผู้ที่พิสูจน์ได้แล้วว่ามีจิตใจกับร่างกายที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปจิตใจที่จะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ไม่มีร่างกายและการจะอยู่ในโลกทิพย์อย่างสุขอย่างสบาย ก็ต้องมีบุญถ้ามีบาปก็จะอยู่อย่างเดือดร้อนอย่างลำบากเพราะการทำบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปทําผิดกฎหมายเมื่อทําผิดกฎหมายก็จะต้องถูกจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางฉันใดใจที่ทำบาปหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วก็จะถูกกดแห่งกรรม เจ้าหน้าที่ของกรรมมอจับไปติดคุกติดตารางคุกตารางของของผู้ที่กระทำบาปก็คือจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกอันนี้เป็นเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสูรละกายทำบาปด้วยความโกรธเกียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท mm. ก็จะไปตกนรกอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะได้ยินได้ฟังจะได้รู้จัก เวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราจะได้ไม่ปฏิเสธว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเพราะมีผู้ที่รู้เขาได้พิสูจน์กันแล้วคือผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ค้นคว้าได้วิจัย ได้ปฏิบัติจนเห็นอย่างชัดเจนว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันผู้ที่ทาบุญทำบาปนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ทาบุญทาบาปคือใจเพราะเป็นผู้คิดเป็นผู้เริ่มเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทอ ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์นี้เขาไม่รู้เวลาเขาขับรถแล้วไปชนคนตายรถยนต์เขาไม่รู้ว่าเขาไปชนคนตายผู้ที่รู้ก็คือคนขับแล้วคนที่ถูกจับไปลงโทษก็ไม่ใช่รถยนตย์เขาก็จับคนที่รู้คนที่สั่งให้ไปขับรถชนคนตายคือคนขับรถ คนขับรถนี้จะต้องเป็นผู้ที่ไปถูกจับไปลงโทษฉันใดใจผู้เป็นคนสั่งให้ร่างกายไปทำบาปก็จะต้องเป็นผู้ไปรับผลบาปร่างกายไม่ได้ไปร่างกายเวลาตายไปก็จบร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมร่างกายนี้มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟพอเวลาร่างกายตายไป ดินน้ำลมไฟก็จะแยกออกจากร่างกายไปไปคนละทิศคนละทางกันน้ำก็ไปกลับไปหาน้ำลมก็กลับไปหาลมไฟก็กลับไปหาไฟดินก็กลับไปหาดินดังนั้น ร, ร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปถ้าเรามองเห็นว่าเรามีเพียงแต่ร่างกายเราก็เลยจะคิดว่าไม่มีการทำบุญไปก็ไม่ได้มีผลบุญ ไม่มีใครไปรับผลบุญทำบาปก็ไม่มีใครไปรับผลบาปดังนั้นอย่าไปทำบุญให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเอาเงินเอาเวลานี้มาหาความสุขกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าเช่นหยุดห้าวันนี้ก็ไปฉลองกันให้เต็มที่คนชอบเล่นการพนันก็ไปแถวบ่อนชายแดนคนชอบเที่ยวก็ไปต่างประเทศกันอยากจะไปเทศไหนก็ไปกัน ถ้ามีกำลังทรัพย์ที่จะไปได้ก็ไปกันเพราะพวกนี้เ่าคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายแล้วจะไม่สามารถหาความสุขได้แล้วเงินทองที่หามาถ้าเป็นแทบตายก็จะไม่ได้ใช้จะกลายเป็นของคนอื่นไปหามาถ้าเป็นแทบตายเมื่อหามาได้แล้วต้องรีบใช้ก่อนที่มันจะตาย ตอเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่หามาได้เดี๋ยวเกิดหามาได้หลายร้อยล้านแล้วอยู่ดีๆก็เป็นโรคหัวใจวายไปหามาแทบเป็นแทบตายก็จะไม่ได้ใช้ดังนั้นก่อนที่ร่างกายนี้จะตายต้องรีบใช้มันก่อนก็จะคิดอย่างนี้กันพอคิดอย่างนี้ก็จะไม่เคยคิดว่าจะไปวัดกันไม่รู้จะไปวัดทำไมไม่รู้ว่าไปวัดแล้วได้อะไร แต่เสียเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปฟังเรื่องเพิรเจอที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เดนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาพิสูจน์ไม่ได้เวลาร่างกายตายไปใจเป็นอย่างไรเขาพิสูจน์ไม่ได้ใจเป็นเทวดาหรือใจเป็นเปรต อันนี้เขาพิสูจน์ไม่ได้ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาก็ต้องถือว่าไม่มีมเพราะสมัยนี้เราเชื่อนักวิทยาศาสตร์กันนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เป็นเหมือนพวกศาสดาของพวกเรา<ม>เราไปโรงเรียนก็ไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันเพราะว่าวิทยาวิทยาศาสตร์เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ วิทยาศาสตร์นี่แหละที่ทำให้ชีวิตการกินการอยู่ของเราสะดวกสบายขึ้นกว่าในยุคที่ไม่มีวิทยาศาสตร์ยุคสมัยที่ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีรถยนต์จะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินไปหรือใช้เกวียนไปพายเรือไปแต่พอมีวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็มีเครื่องจักรเครื่องกลมีเครื่องม้เครื่องมืออะไรร้อยแปดที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อก่อนเหาเหินเดินอากาศไม่ได้เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ทำให้พวกเรากลายเป็นนักเหาะได้เหาะเหินเดินอากาศอยากจะเหาะจากประเทศนี้ไปประเทศนั้นก็สามารถทำได้นักวิทยาศาสตร์จึงเป็นที่เขารบยําเกรงของของมนุษย์เชื่อฟังวิทยาศาสตร์มากกว่าเชื่อฟังคำสอนเพอเจอร์ของพวกฤาษีชีพาย ที่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าแล้วก็มาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีอย่างนั้นมีอย่างนี้เอเขาไม่เชื่อนี่คือเรื่องของผู้ที่ไม่มีศรัทธาต่อคําสอนของอของนักบวชของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์เขาจะไม่มีวันที่จะได้รู้เลยว่า เรื่องของบุญนี้มีจริงเรื่องของบาปนี้มีจริงเรื่องของผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี่มีจริงการจะพิสูจน์นี้ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนานั่งสมาธิหลับตาปิดปิดใจของเราออกจากร่างกายดึงใจเราออกจากร่างกายออกจากตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อดึงใจให้กลับเข้าไปในโลกทิพย์ กลับเข้าไปข้างในพอจิตเข้าไปข้างในแล้วจิตก็จะเห็นโลกทิพย์นี่ก็เปเหมือนกับโลกบาดาลอย่างเงี้ยเราอยู่บนโลกนี้เราจะไม่รู้ว่าภายใต้ในน้ํานี้มีอะไรบ้างแต่ถ้าเราสามารถที่จะดำน้ําลงไปได้ลงไปอยู่ในใต้บาดาลเช่นสมัยนี้เขามีมนุษย์กบที่ใช้เครื่องหายใจที่ทําให้เขาสามารถดำน้ําได้ พอลงดำน้ําลงไปข้างล่างเขาก็จะไปเห็นโลกอีกโลกหนึงที่เราไม่เห็นกันบนโลกนี้ในใต้ในใต้บาดาลในทะเลเนก็จะเห็นสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในทะเลที่เรามองไม่เห็นกันเห็นปูเห็นปลาเห็นอะไรต่างๆเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายใต้น้ําที่เราไม่มองมองไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกัน โลกทิพย์ก็เหมือนกับโลกใต้บาดาลที่เราถ้าเราไม่มีเครื่องอประดาน้ำไม่มีเครื่องที่จะให้เราเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์เราก็จะไม่รู้ว่ามีมีอีกโลกหนึ่งแต่ถ้าเรารู้จักวิธีเข้าไปในโลกทิพย์ได้เราก็จะไปเห็นสิ่งต่างๆผู้ที่ตามที่ผู้ที่เขาเข้าไปในโลกทิพย์เห็นกันได้ พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกเนี่ท่านรู้จักวิธีเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์ในขณะที่ร่างกายท่านยังไม่ตายท่านสามารถดึงใจให้ออกจากร่างกายแล้วให้กลับเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์ได้ด้วยการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินี่เราจะดึงใจของเราให้ออกจากร่างกายชั่วคราวถอนใจออกจากร่างกายดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกาย ให้กลับเข้าไปในโลกทิพย์พอกลับเข้าไปในโลกทิพย์แล้วทีนี้ก็จะเห็นสิ่งต่างๆในโลกทิพย์เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นอสุ ร, รกายเห็นอะไรต่างๆที่พวกเราที่มีร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นกันได้นี่แหละเหมือนกันเหมือนกับโลกบาดาลถ้าเราไม่มีเครื่องระดานน้าเราก็ลงไป อยู่ใต้น้ำไม่ได้เราก็อาจจะคิดว่าใต้น้ำไม่มีอะไรมีแต่น้ำแต่ถ้าเรามีเครื่องประดาน้ำเราดำน้ำลงไปเราก็จะเห็นอะไรต่างๆได้ที่มีอยู่ใต้น้ำนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นการเปิดประตูให้เราได้พบกับความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อน ว่ามีอยู่อต้องอาศัยคนที่เขาไปสำรวจมาแล้วไปพิสูจน์มาแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่ามีทวีปอีกทวีปหนึงสมัยก่อนคนส่วนใหญ่จะคิดว่าโลกนี้แบนจะไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลถ้าออกไปสุดขอบทะเลแล้วกลัวจะตกออกนอกโลกไปเพราะคิดว่าโลกมันแบนแต่มีคนที่กล้าหาญและมีคนที่ เชื่อว่ามันไม่แบงเขาก็ยอมเสี่ยงตายไปเขาก็นั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลแต่วิ่งไปเท่าไหร่ทะเลมันก็ไม่สุดสักทีเพราะมันโค้งมันเว้าของไปเรื่นมันไปเรื่อยๆก็วิ่งไปเรื่อยๆนั่งเรือไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไปเจอแผ่นดินอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาไปเจออีกทวีปหนึ่งขึ้นมามีคนมีอะไรอยู่เหมือนกับ คนที่เราอยู่ในทวีปเก่านี่แล้วพวกนี้แหละที่กลับมาบอกพวกคนที่อยู่ในทวีปเก่าว่ า, วาเฮ้ยโลกนี้มันกลมนะมันไม่แบนไม่นั่งเรือออกไปไม่ตกขอบทะเลเหรอกไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจออีกทวีปหนึ่งไปเจอดินแดนอันใหญ่โตอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆพอคนรู้คนที่อยู่อยู่ทุกข์ยากลำบากก็เลยยอมเสี่ยงภัย ยอมนั่งเรือไปสู่ทวีปใหม่กันไปตั้งโลกลากใหม่กันพวกนี้ก็อาศัยความเชื่อจากพวกที่ไปสำรวจพวกที่ไปบุกเบิกว่ามีดินแดนที่สามารถที่จะไปพัฒนาอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญกว่าดินแดนที่อยู่กันในปัจจุบันนี้พะเขามีศรัทธาความเชื่อเขาก็เลยกล้าที่จะไปพิสูจน์ แล้วพอเขาไปเขาก็ได้ไปพบกับสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังเขาก็ไปตั้งโลกล่างในแผ่นดินใหม่กลายเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาที่เจริญกว่าประเทศเก่าอีกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้บุกเบิกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสารวกเราก็จะไม่รู้ว่ามีดินแดนอีกดินแดนหนึ่งที่รอเราอยู่หลังจากที่เราจะต้องออกจากดินแดนนี้ไป คือพอเราไม่มีร่างกายแล้วเราก็จะไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้แต่เราไม่ได้สูญหายไปเวลาร่างกายนี้ตายไปเรายังไปต่อเรายังไปอยู่อีกดินแดนหนึ่งและการจะไปอยู่ดินแดนนี้อย่างมีความสุขอย่างมีความสบายก็อยู่ที่การมีบุญติดตัวไปหรือไม่ถ้าเรามีบุญติดตัวไปเราก็ไม่ต้องไปอยู่ตามค่ายอบพยพไม่ต้องไปอยู่แบบขอทาน แล้วถ้าเราไม่ทำบาปไม่ทำความผิดไปเขาก็จะไม่จับเราไปติดคุกติดตารางถ้าเราทำผิดกฎหมายถึงแม้เราจะออกไปยกไปอยู่อีกประเทศหนึ่งประเทศนั้นเขารู้ว่าเราทำผิดเขาก็จะจับเราไปติดคุกติดตารางอีกอนี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้จากกันเวลาที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รู้ว่า ชีวิตของเราไม่ได้จบที่ความตายของร่างกายร่างกายนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขต่างๆจากโลกนี้แต่พอเราไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายในโลกนี้ได้เราก็ต้องไปอยู่อีกโลกหนึ่งไปอยู่ในโลกทิพย์และโลกทิพย์นี้จะเราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีโทษ เราก็ต้องอยู่ที่การทาบุญที่พระเจ้าสอนให้ทานี่แหละให้เราทาทานอยู่บ่อยๆทาทานให้มากๆอย่าไปทำผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมเพราะจะไปติดคุกติดตารางในในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ ก, ก็มีคุกมีตารางเหมือนในโลกนี้เราอาจจะทำบาปทำผิดกฎหมายในโลกนี้แล้วเราอาจจะไม่ไปติดคุกก็ได้เพราะอาจจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าเราได้ทาผิดกฎหมาย ก็จะไม่มีใครมาจับเราไปลงโทษแต่ถ้าเราทำบาปนี้จะมีกฎแห่งกรรมเป็นคอยเป็นผู้รู้อยู่พอเราตายไปกฎแห่งกรรมนี้ก็จะมาจับเราไปติดคุกติดตารางในโลกทิพต่อจับเราไปเป็นเปรตจับเราไปเป็นเดลชานจับเราไปเป็นอสุรกายจับเราไปติดอยู่ในนรกอันนี้ไม่อันนี้ กฎแห่งกรรมนี้เขาตามเราทันเสมอไม่เหมือนกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่นี้ถ้าบางทีเจ้าหน้าที่มีน้อยหรือเจ้าหน้าที่ไม่สุดจริตเราก็อาจจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางได้แต่กฎแห่งกรรมนี้เขาสุดจริตเขาไม่สนใจว่าเป็นใครเขาไม่สนใจว่ามีเงินมากมีเงินน้อยหรือไม่ทำผิดเขาก็ต้องจับไปลงโทษตามความผิดทันที ท ำ, ทำบาปด้วยความหลงก็จะจับไปเป็นเดราัชานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะจับไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะจับไปเป็นเนสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะจับไปติดในติดคุกในนรกนี่ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ ก็เหมือนกับเราได้ยินได้ฟังพวกที่เขาไปบุกเบิกดินแดนใหม่ว่าเขาไปพบดินแดนใหม่ที่มีทรัพยากรมากมายกว่าดินแดนเก่าที่เราอยู่กันนี้ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ให้เราไปอยู่ดินแานใหม่จะดีกว่ามีที่ดินเป็นร้อยละร้อยไร่พันไร่ใครต้องการที่ดินกี่ไร่ก็สามารถไปจับจองเอาได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ อยากจะทำไ้ไถน้ำกี่ร้อยกี่พันไร่ก็ทำได้พอคนได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจกันเชื่อคนที่มาบอกว่าเขาพูดจริงเขาไม่โกหกท่านใดพระพุทธเจ้พาพระอริยะสงสาวก็เหมือนเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกในโลกใหม่คือโลกทิพย์ที่พวกเราจะต้องไปกันต่อพระพุทธเจ้าบอกในโลกทิพย์นี่มีของดีและของไม่ดีของไม่ดีก็คือ การไปเป็นเปรดไปเป็นอสุรกายการไปติดคุกติดตารางในนรกส่วนของดีก็มีสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ในระดับที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็ให้รีบทาบุญกันถ้าไม่อยากไปติดคุกติดตารางก็ต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ อย่าไปทำบาปกันแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ต้องไปภาวนาไปเจริญสมถะภาวน า, าวิปัสสนาภาวนากันแล้วพอเราทำได้สำเร็จเราก็จะได้ไปอยู่ในดินแดนใหม่เป็นมหาเศรษฐีในดินแดนใหม่เหมือนพวกที่เขาอบพยพไปอยู่ในทวีปอเมริกา แล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีกันหรือพวกชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยสมัยก่อนเมืองไทยก็เป็นเหมือนกับเป็นแดนที่มีทรัพยากรมากมายคนจีนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ในเมืองจีนทำมาหากินไม่ได้เขาก็อพยพมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็มาพยายามตั้งรกรากพยายามทามานทำงานทำมาหากิน เก็บเงินเก็บทองขยายกิจกรรมต่างๆจนกลายเป็นหมาเศรษฐีของเมืองไทยไปพวกหมาเศรษฐีของเมืองไทยนี้ไม่ได้เป็นคนไทยแท้เป็นคนจีนที่ยโยกย้ายมาอยู่เมืองไทยกันพอเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความขยันคนไทยเราอยู่อย่างสุขสบายเราก็เลยไม่ค่อยคิดเรื่องอยากร่ำอยากรวยเพราะเราพอมีพอกินเราก็พอแล้ว เพราะดินแดนของเรานี่เป็นดินแดนที่โอเดมสมบูรณ์และปราศจากภัยอันตรายต่างๆจึงไม่มีไม่มีใครอยากที่จะต้องมาล่ำรวยกันก็อยู่กันอย่างสบายแต่พวกที่เขายากจนพอเขามาเห็นดินแดนที่โอเดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆเขาก็เลยคิดในการที่จะตักตวงประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้จึงทาให้เขาได้กลายเป็นมาเศรษฐีขึ้นมา พวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเรารู้ว่าต่อไปเราจะต้องจากโลกนี้ไปล้วมีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์สาวกมาบอกพวกเราว่าวิธีที่จะทำให้พวกเรานี้ได้ไปอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายเป็นมหาเศรษฐีในโลกทิพย์กันถ้าเราเชื่อแล้วเราพยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปเราก็จะได้ไปเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านเป็นมหาเศรษฐีในโลกทิพย์เป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดไม่มีใครจะมีความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกเราให้เป็นพรหมก็ยังสู้ความสุขของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราให้เป็นเทพชั้นไหนก็สู้ความสุขของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะี่ราพวกเราถึงถือว่าโชคดีชาตินี้ที่ได้มาเจอพระพุทธเจ้า ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรรีบฉวยโอกาสอันดีนี้พยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆศึกษาอยู่เรื่อยๆศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติพร้อมๆกันอย่าศึกษาอย่างเดียวอย่ารอให้ศึกษาให้ครบกระบวนการของการศึกษาก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติเพราะเราจะลืม พอเราศึกษาตอนต้นแล้วมาศึกษาตอนกลางเดี๋ยวเราก็จะลืมสิ่งที่เราศึกษาตอนต้นไปพอเรามาศึกษาตอนกลางแล้วไปศึกพอมาศึกษาตอนปลายเราก็จะลืมสิ่งที่เราได้ศึกษาตอนต้นตอ น, ตอนกลางไปนั้นวิธีที่จะไม่ลืมก็คือเราต้องศึกษาไปแล้วปฏิบัติไปควบคู่กันท่านสอนให้เราทำทานขั้นต้นเราอยู่ในขั้นต้นเราก็ทำทานกันไปก่อน มีเงินมีทองเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศไปการทำบุญนี่ไม่ได้ศูนย์เปล่าไปเปลี่ยนเงินเป็นเงินดอนเท่นั้นเองเรามีเงินบาทแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องอพยพไปอยู่อเมริกาเราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีเงินดอนไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปเป็นขอทานที่อเมริกาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเงินดอนไปเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดอนพอเราเดินทางไปที่อเมริกาเราก็จะมีเงินดอนใช่ การทำบุญนี้ไม่ได้เป็นการเสียเปล่าเป็นการเอาไปเปลี่ยนเงินตราจากเงินบาทนี้ให้ไปเป็นบุญที่ทจะใช้ในโลกทิพย์ต่อไปเะนั้นมีเงินทองเท่าไหาร่รีบเอาไปเปลี่ยนเป็นบุญเถิดอย่าเอาไปกินไปเที่ยวไปดื่มเพราะอันนี้จะศูนย์เปล่าพอเที่ยวเสร็จมันก็หมดไปหายไปแล้วก็จะไม่มีบุญติดตัวไปเวลาไป พอไปอยู่ในโลกทิ่จะไม่มีเงินใช้แต่ถ้าเราคอยเอาเงินที่เรามีอยู่นี้มามาเปลี่ยนเป็นบุญให้หมดมีกี่บาทที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องใช้รีบเอามาเปลี่ยนเป็นบุญเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเงินของเราแท้ๆ ท, ที่เราเอาติดตัวไปกับเราได้คือบุญนี่ทำบุญกี่บาทนี่เอาไปได้หมดเอาไปเที่ยวกี่บาทเอาไปไม่ได้เลยเอาไปเที่ยวเนี่ยห้าวันเนี่ยไปเที่ยวหมดไปกี่หมื่น หมดไปเลยแล้วก็ต้องกลับมาทำงานทำการหาใหม่อีกหาได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้ไปเที่ยวอีกพอเวลามันเที่ยวแล้วมันจะติดเที่ยวแล้วจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้เที่ยวมันจะรู้สึกงดดิ ด, ดไม่สบายคับอกคับใจเหมือนกับถูกจับขังคุกขังตารางอยู่บ้านไม่ได้อยู่อยู่บ้านไม่ติดจะต้องออกไปเที่ยวให้ได้ถึงจะสบายถึงจะมีความสุข ไปเที่ยวกี่ครั้งกลับมาก็กลับมาก็เหมือนเดิมความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปเงินที่ใช้กับการไปเที่ยวก็หมดไปบุญไม่มีสักบาทติดตัวไปเวลาตายดังั้นเปลี่ยนวิธีใช้เงินดีกว่าเอาเงินนี้มาทำบุญดีกว่านอกจากจะเป็นบุญที่เอาติดตัวไปได้ยังเป็นความสุขที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ด้วย เวลาเราทำบุญเสร็จนี่เราจะรู้สึกอิ่ม อ, อกอิ่มใจสบาย อ, อกสบายใจเรากลับไปอยู่บ้านเฉยๆได้จะไม่รู้สึกรับ อ, อกคับใจเพราะไม่มีความอยากไปเที่ยวมาคอยผลักดันให้เราออกไปนอกบ้านนั่นเองเพราะแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเราเอาเงินไปทำบุญเราเลยตัดความอยากไปเที่ยวออกไปได้แล้วการมาทำบุญนี่ก็จะไม่มีความอยากที่จะทาให้เราอยากจะมาทำบุญถ้ามีก็ทาไม่มีก็ไม่ต้องทา ไม่ได้ทําก็จะไม่รู้สึกครับอกครับใจไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าเว่าเศร้าส้อยห้อยเหงาแต่อย่างใดกลับจะมีความสุขคิดถึงบุญที่เราได้ทําไว้ก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทุกครั้งอันนี่คือการใช้เงินให้ถูกต้องใช้เอาเงินมาแปลงให้เป็นบุญให้หมดนมีเงินเท่าไหร่เอามาทําบุญดีกว่าไม่สูญเปล่ารับรองได้ได้ประโยชน์หลายขั้นหลายตอนขั้นแรกก็จะทําให้ใจเรามีความสุข จากการทาบุญขั้นที่สองเวลาตายไปบุญที่เราทานี้เราก็เอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้ไปอยู่แบบเทวดากันไม่ต้องไปเป็นขอทานเป็นพวกเปรตพวกอสุรกายหรือพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วพอเรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไปไม่ถึงบุญขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินทองที่เราทาบุญนี้รอเราอยู่ เราจะกลับมาเกิดเป็นในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีหรือถ้าไม่มีครอบครัวเราก็จะสามารถหาเงินหาทองได้อย่างแบบง่ายดายเหมือนส้นหลม่มเหมือนส้มดนทําอะไรก็มีทำอะไรก็ทําได้สะดวกรวดเร็วคิดอยากจะทําธุรกิจอะไนทําก็สําเร็จนั่มรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเป็นน่ะอนิภาพของบุญที่เราได้ทําไวในในชาติก่อนน อันนี้คือเรื่องของการทําบุญไม่ศูญย์เปล่ามีแต่ได้มีแต่ได้อย่างเดียวนี่คือทำไมเราจึงต้องทําบุญกันให้มากๆทําบุญกันถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทําเอ ม, มารักษาศีลคอยมารักษาศีลกันรักษาศีลจะได้อะไรก็จะได้ป้องกันให้เราไม่ต้องไปติดคุกในในโลกทิพย์ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุ ร, รกายไม่ต้องไปตกนรก หรือไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าข้อได้ถ้าเรายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาอยู่เนี่ยเราทำผิดกฎหมายแล้วผิดกฎแห่งกรรมละเดี๋ยวถึงเวลาเจ้าหน้าที่ของกฎแห่งกรรมเขาก็จะมาจับเราไปลงโทษ เ, เวลาเราตายเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ส ง, สงฝ่ายมา ดึงใจเราไปเจ้าหน้าที่ทางบุญกับเจ้าหน้าที่ทางบาปถ้าเราทําบาปมากกว่าบุญเจ้าหน้าที่ทางบาปเขาก็จะเอาใจเราไปลงโทษก่อนแต่ถ้าเราทำบาปทําบุญได้มากกว่าบาปเจ้าหน้าที่ทางบุญก็จะดึงเราไปรับผลบุญก่อนรับไปจนกว่าผลบุญกับผลบาปนี้มีกําลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยกเว้นว่าถ้าเราสามารถ ปฏิบัติสร้างบุญกุศลขั้นสูงได้คือขั้นภาวนาได้ทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จากการภาวนาทำใจให้สงบและใช้ปัญญาชำละกิเลสตัณหาต่างๆที่อยู่ในใจให้หมดไปได้ถ้าเราทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยการภาวนาใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเป็นไม่ต้องมา เป็นมนุษย์ใหม่และเวลาที่เราตายไปก็บุญกับบาปก็จะไม่สามารถมาดึงให้เราไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่ในอบายเพราะใจที่สะอาดนี้จะไปอยู่ที่เดียวก็คือที่พระนิพพานนี้เองที่อยู่ของมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่ก็คือพระนิพพานพวกที่เป็นมหาเศรษฐีก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทําใจให้สงบใจสงบแล้วใจก็จะเหมือนแยกออกจากสิ่งที่โสโครกแล้วเราก็ใช้ปัญญามาตักสิ่งที่โสโปรกออกไปจากใจสิ่งที่โสโปรกก็เหมือนน้ําที่ขุ่นเวลาน้ําขุนนี้มันจะปนกับน้ําอยู่สิ่งที่โสโปรกเช่นะตะกอนต่างๆมันจะติด มันจะปนอยู่กับน้ำวิธีที่จะแยกตะกอนก็คือเราต้องสมัยก่อนเขาใช้สารส้มมาแกว่งน้ากันน้ำที่อยู่ในแม่น้ำสมัยก่อนใช้น้ำในแม่น้ำมันขุน่นต้องเอาสารส้มมาแกว่งพอแกว่งแล้วสารส้มนี้จะทําให้พวกที่เป็นตะกอนนี่แยกตัวออกจากน้ำมันก็จะตกตะกอนลงไปพอตกตะกอนแล้วเราก็ตักเอาน้าสะอาดไว้ตุ่มหนึ่งแยกไว้ ชั้นใดการทําจิตให้สงบก็เป็นการแยกตะกรออกจากจิตพอจิตสงบแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นตะกรอะไรไม่เป็นตะกรรู้ว่าอะไรเป็นน้ําอะไรเป็นตะกรพอรู้แล้วก็ใช้ปัญญามาแยกอันนี้เป็นตะกรตะกรคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่โสโปรกทําให้ใจเราเศร้าหมองต้องตักมันออกไปแยกมันออกไป เอานที่สะอาดบริสุทธิ์แยกไวอีกส่วนหนึ่งเอาจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แยกกันไปต่อไปปัญญาก็จะกําจัดพวกที่เป็นตะกรนของใจให้หมดไปจากใจได้พอใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วอนุภาพของบุญของบาปก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดในอบายได้แล้วก็ไม่สามารถดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปนี่คือ บุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบําเพ็ญมาปฏิบัติกันเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราคือจิตใจพวกเรานี้อยู่ที่จิตใจถ้าเราได้ทําบุญทําทานได้รักษาศีลกันเต็มที่เต็มร้อยได้ภาวนากันเต็มร้อยแล้วเราจะได้ไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นที่อยู่ของเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกทิพย์ เราจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะรีบสร้างกันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะไม่มีใครมารับประกันชีวิตของเราได้ว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ดังนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่มีเวลาว่างเมื่อใดรีบมาทําตามที่พระเจ้าสอนเถิดมาทําบุญสาระดับนี้กันมาทําบุญทําทาน ถ้ายังมีเงินทองก็เอามาทำบุญทำทานมาเปลี่ยนเป็นเงินเงินเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์ถ้ายังทำบาปอยู่ก็รีบก็เลิกทำบาปเสียเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ถ้ายังภาวนาไม่เป็นนั่งสมาธิไม่เป็นก็มาหัด น, นั่งสมาธิมาฝึกสติมาทาใจให้สงบถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็มาฝึกปัญญาฝึกปัญญาด้วยการเรียนรู้ว่า อะไรที่อะไรอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรไม่เป็นสุขกันถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะได้สำเร็จไปสู่ขั้นพระนิพพานได้นี่คือเวลาอันสมนเวลาที่มีค่าที่ไม่คอยใครเวลามันผ่านไปทุกเวลานาที ถ้าเรานั่งเฉยๆเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเราจะได้ประโยชน์นั่งสมาธิกับนั่งเฉยๆไม่เหมือนกันนั่งเฉยๆก็คือนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยนี้เรียกว่านั่งเฉยๆแต่นั่งธรมาธินี้นั่งเพื่อควบคุมความคิดนั่งไม่ให้มันคิดเพราะถ้าคิดแล้วมันไม่สงบถ้าหยุดความคิดได้มันสงบพอสงบแล้วจิตกับตะกรนมันจะแยกออกจากกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเรา ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณเราจะได้แยกเอาสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากจิตจากใจให้หมดแล้วเราก็จะได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยึงขอให้ท่านจงใช้เวลาอันมีค่านี้อย่าให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาหรือไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ไปทำอย่างอื่นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากับการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมถ้าทำได้ครบเต็มร้อยเราก็จะได้รับผลเต็มร้อยเกือจะได้เป็นมหาเศรษฐีในโลกทิพย์ต่อไปการดแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิยิชีตังปฏัติต um ังตุ მ หังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ so อระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธานิจังวุทฒาปะจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขัง ลาลดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ห้ามถามถ้าไม่อยากจะถามด้วยตนเองก็ให้เขียนใส่กระดาษมา แล้วจะมีคนอ่านให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางบ้านเฟซบุ๊กเข้ามาทั้งหมด411คนยู u b บ122คนวิทยุออนไลน์17คนผู้ที่มาละฟังบนเขา93คนรวมทั้งหมด643คนครับผมออยู่ประมาณตั้ในเกณฑ์ตองผมเนี่ยนะบวกลบ ไม่ตองห้าก็ต้องหกไงให้หวยนวันนี้ออกหวยอา่าถามได้เลยคำถามฝากถามค่ะขอเรียนถามเกี่ยวกับวิบากของการเที่ยวกลางคืนในอดีตมีผลต่อการปฏิบัติมากหรือไม่ครับเคยทำอะไรมันก็จะติดเป็นนิสัยไปไงเคยเที่ยวมันก็จะติดเป็นนิสัยพร้อม ไม่ได้เที่ยวมันก็จะเหงาจะว้าเหวแล้วมันจะทำให้ไม่อยากไปทำอย่างอื่นมันอยากจะเที่ยวอย่างเดียวจะไปอยู่วาดไปนักษาสีก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเหงามันว้าเหวมันไม่มีความสุขการเที่ยวมันไม่ดีแล้วนอกจากนั้นในมันจะทำให้เราสูญเสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์แทนที่ย่างเงินทองมาทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญ แล้วก็อาจจะเดือดร้อนได้ต่อไปถ้าใช้เงินมากๆเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะไปเป็นหนี้เป็นสินหรืออาจจะไปลักเล็กขโมยน้อยเพื่อให้ได้เงินมาใช้ได้ได้อย่างง่ายดายแล้วรวดเร็วอันนี้ก็เกิดเป็นวิบากของการที่ไปเที่ยวเตะกันถ้าเลิกได้แล้วความเสียหายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดคำถามที่สองค่ะ หากเราเป็นผ uh, to ู Mercedes ้จะมาวัดท yeah. like like ําบุญแล้วชักชวนบุคคลอื่นว่าเราจะไปทําบุญมีใครจะฝากอะไรไปทําบุญกับเราไหมพูดอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะหากเขาฝากซองมาทําบุญกับเราด้วยก็อยู่ที่ว่าเขาอยากจะทําบุญหรือเปล่าถ้าเขาเคยพูดบอกไว้ก่อนว่าถ้าไปบุญไปทําบุญช่วยบอกด้วยจะฝากไปทําบุญถ้าก็พูดอย่างนี้ก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดก็ไม่ควรไปบอกเขาเพราะ อาจจะไปเหมือนกับไปบังคับให้เขาทำบุญซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่พร้อมหรือเขายังไม่อยากจะทำแต่อาจจะต้องทำด้วยความเสียไม่ได้เขาก็จะไม่ได้บุญเต็มที่แล้วเขาก็อาจจะไม่อยากจะเจอหน้าเราเพาเจอหน้าเราทีไรก็เหมือนกับจะมาทวงเงินเอาเงินไปทำบุญอยู่เรื่อยๆยังไม่ควรที่จะไปบอกบุญผู้อื่นถ้าเขาไม่ได้แจ้งเจตจานงไว้ล่วงหน้าก่อน คำถามฝากถามย่าลิ้ค่ะพระอาจารย์คุณแม่ตอนนี้ท่านห่วงไปทําบุญกับวัดที่พระพาสร้างแต่วัตถุศาสนาสถานสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างองค์พระรอบวัดโดยมีแม่ชีท่านหนึ่งคอยบอกกล่าวให้ทําบุญคุณแม่ไม่มีเงินสดมากพอก็ให้โอนบ้านให้คนในวัดไปทําเรื่องกู้ธนาคารเพื่อเอาเงินมาให้วัด คุณแม่เป็นข้าราชการเกษียณอายุค่ะมีบ้านสองหลังตอนนี้หลังหนึ่งถูกขายไปแล้วเพื่อชําระหนี้ให้วัดดังกล่าวค่ะอีกหลังโอนให้คนอื่นกู้ธนาคารรถยนต์ที่ลูกผ่อนให้ตอนนี้ก็ถูกโอนไปเป็นชื่อคนอื่นแล้วค่ะไม่เหลือทางบ้านและรถค่ะเมื่อสอบถามเงินบํานาญก็เหลือเหลือแต่ละเดือนน้อยมากทําเรื่องกู้ผ่อนชําระหนี้เช่นกันเพราะทางวัดสร้างจนเป็นหนี้ร้านค้าวัสดุโดนร้านค้าวัสดุฟ้องจะดําเนินคดีเคย เอารูปพระองค์ดังกล่าวให้พระอาจารย์ท่านหนึ่งดูท่านบอกว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระหลอกลงประชาชนสร้างวัตถุต่างๆสนองกิเลสตนไม่ใช่พระพุทธศาสนอย่างแท้จริงเคยเล่าบอกคุณแม่ไปแล้วแต่ท่านไม่เชื่อเพราะท่านศรัทธาพระองค์นี้มากตอนนี้ไม่ทราบว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีคะเพราะเป็นบุปการีของเราทิ้งก็ไม่ได้คะ่ะน่าเป็นห่วง เงินที่ลูกส่งให้ทุกเดือนก็ไปทําบุญที่วัดนี้ตอนนี้จะตัดสินใจลดเงินเดืนคุณแม่เหลือครึ่งเดียวขอพระอ า, าเมตตาเรื่องนี้ค่ะคือการทําบุญนี่มันก็ไม่เสียหายตรงไหนคนทําไ ด, ได้แต่คนที่เอาเงินไปทําประโยชน์นี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเช่นไปสร้างทาวเวอร์และวัตถุต่างๆแทนที่จะเอาไปทําประโยชน์ ที่มีประโยชน์เช่นช่วยเหลือคนยากจนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรืออะไรที่เราเห็นประโยชน์ทันตาอย่างนั้นเรื่องของการทำบุญนี่มันก็เป็นเรื่องของที่เป็นของคนที่ทำบุญนั้นไม่มีใครไปบังคับถ้าเขาอยากจะทำก็ปล่อยเขาทำไปเรามีหน้าที่เป็นลูก ที่จะต้องส่งเสียให้แม่เราก็ส่งไปตามกําลังของเราตามความเหมาะสมของเราส่วนแม่จะเอาไปทําบุญหรือเอาไปทําอย่างเออะไรมันก็เป็นเรื่องของแม่เขาเราไม่ต้องไปอย่าไปลดถ้าเราอย่าไปลดการลดของเรานี้อาจจะเป็นกิเลสของเราขึ้นมาก็ได้กําลังรอจังหวะหาช่องที่จะให้เงินแม่ใช้น้อย พอเห็นว่าแม่เอาไปใช้กาบการทาบุญแบบนี้ก็เลยไม่อยากจะให้อันนี้ก็ไม่ควรจะทำควรจะให้เหมือนเดิมคิดว่าเป็นให้เป็นเพื่อเลี้ยงดูแม่ให้แม่อยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าแม่อยากจะสุขสบายทางใจแต่อาจจะทุกข์ทุกข์ลบากทางร่างกายถ้าเป็นความสมัครใจของแม่ก็ไม่เป็นการเสียหายอะไร เพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้มันก็ต้องยอมทุกยากทางร่างกายกันถึงจะได้บุญได้กุศลกันอยนั้นก็คือถ้ามองมองเฉพาะการทำบุญของแม่ก็ต้องว่าเป็นการกระทำที่ดีหายากคนที่ยอมทำบุญเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ส่วนเรื่องของการถูกหลอกลวงหรือถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบนี้ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของปัญญาของแม่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าถ้ามองไม่เห็นก็มันก็เป็นกรรมของแม่ไปแต่บุญที่แม่ทําแม่ก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าประโยชน์ของเงินทองที่แม่เสียสละไปอาจจะไม่ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะได้คือถูกวิชาชีพหือถูกผู้ที่ไม่หวังดีไม่ประสงค์ดี เอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบไปทางส่วนตัวหรือทางอะไรก็ตามอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบาปของแม่แม่ไม่ได้แม่ไม่ได้รับผลบาปอันนี้แต่ผู้ที่เอาเงินแม่ไปเนี่ย เ, เขาจะเป็นผู้ไปรับผลบาปเองอย่างเท่าที่ฟังดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ่าแม่เขาอยากจะทาไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครเอาปืนไปจาะขมงังแม่บอกให้ต้องทำบุญ แม่อยากจะทําทบุญบอยจากให้หมดเนื้อหมดตัวก็เหมือนพระเวชสันดรเนี่ยใช่หไหมแม่อาจจะฟังพระเวชสันดรแล้วก็อาจจะมีศรัทธาแบบพระเวชสันดรขึ้นมาก็ได้เห็นถึงบอกว่าไม่ทําทําบุญแล้วไม่สูญเสียอะไรเงินทองเก็บไว้เนะ่ยเสียเปล่าเก็บเงินทองไว้แล้วตายไปนี่เป็นของคนอื่นไปแต่ถ้าเอาเงินทุกบททุกบาทที่มีเอาไปทําบุญให้หมดเนี่ยเป็นของเราเราไปเปลี่ยนเงินตราใหม่ท่านเอง เปลียนจากเงินเงินบาทไปเป็นเงินบุญเท่านั้นเองแล้วเวลาแม่ไปแม่จะได้เป็นเศรษฐีในสวรรค์ในโลกทิพย์เราไม่ต้องมาห่วงแม่ไม่ต้องคอยมาทําบุญอุทิศให้กับแม่เพราะเรารู้เห็นว่าแม่ที่ทําบุญเต็มที่แล้วเหมือนหลวงตาท่านเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าเวลาเราตายไปแล้วไม่ต้องมากรุศลาไม่ต้องมาสวดทําบุญให้กับเรานะเพราะเราทําของเราอยู่เต็มที่แล้ว ทำในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้มากกว่าบุญที่พวกญาติโยมพี่น้องส่งไปให้นะอย่างนั้นแม่เขาทาถูกแล้วละ่ะถ้าเขาทาบุญถ้าเขาทาด้วยความสุขใจเขามีความสุขใจที่เขาได้ทําบุญถึงแม้เขาจะโอดอยากขาดแคลนบ้างแต่เขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรเพราะอ น, อนุภาพของบุญนีไงทำบุญแล้วมันมีความสุขใจทําให้ความทุกข์ยากทางร่างกายนี้ไม่มีปัญหาอะไรนั้นดีแล้ว ถ้าแม่ทำแล้วมีความสุขใจก็สนับสนุนไปเถอะนี่แหละท่านบอกให้อนุโมทนาไม่ใช่ไปลดการอนุโมทนาโดยการลดเงินลดทองควรจะทําเพิ่มให้เด้ก็ได้ควรจะเพิ่มอีกสองเท่าก็ได้ถ้าคิดว่าแม่ทําแล้วมีความสุขท่านอาจารย์แล้วพะเป็ น, นพระปลอมนะคะได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเราทําเราได้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ว่ า, าท่านเป็นพระปลอม หรือว่าถึงแม่รู้หรือว่าเป็นขอทานแต่อาจจะชาติก่อนเคยมีบุญคุณต่อกันก็อยากจะสนับสนุนตอบแทนบุญคุณเขาก็ เ, าเป็นขอทานก็ยินดีที่จะสร้างบ้านสร้างประสาทให้เขาอยู่มันก็เป็นบุญเหมือนกันไ ด, ได้บุญอย่างเดียวไม่ต้องกังวลคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณชยัยขออุบายขอกราบกราบขออุบายในการภาวนาพิจารณาเรื่องอารมณ์ การไม่ได้รับความสนใจรู้สึกกลัวเหมือนถูกทอดทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวค่ะก็ใจเราคิดปรุงแต่งไปเองใจเราไม่มีสติรางับความคิดปรุงแต่งมันก็เลยคิดสร้างความรู้สึกต่างๆขึ้นมาหลอกเร า, ถ, าถ้าเราหมัน่นเจริญสติต่อไปเราจะควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะว่างจะเฉยๆจะไม่รู้สึกหรือมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ตอนนี้แสดงว่าสติเรายังมีน้อยมากยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์การผลิตอารมณ์ของจิตใจได้ยั่งต้องพยายามฝึกสติเจริญสติให้บ่อยวิธีสร้างสติวิธีหนึ่งก็คือให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลามีความอารมณ์รู้สึกไม่ดีก็แสดงว่าเราไม่มีสติและปล่อยให้ใจมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็รีบพุทโธขึ้นมาระงับได้ พอรู้สึกว่าเวรู้สึกเศร้าซอยง่อยหหเหงารู้สึกหวาดกลัวนี่ก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าอยากจะสวดยาวๆก็สวดบทอิติปิโสไปแทนก็ได้ถ้าพุทโธ ร, รู้สึกว่ามันสั้นไปก็เอาอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาระว่างขาโตสุปัติปันโนไปสวดไปหลายๆรอบจนกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีนี่หายไปคําถามจากคุณธนาชัยคะ่ะพระอาจารย์ครับ ที่บ้านผมในครัวมีผึ้งเข้ามาทํารังอยู่รังใหญ่เลยถ้าผมไปตีผึ้งแล้วเอาน้ำหวานจะบาปไหมครับจะผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับผึ้งเป็นมแมลงมีจิตวิญญาณไหมครับก็เป็นบ้านของเขาไม่ใช่หรือรังผึ้งอ่ะถ้าใครเข้ามาทุบบ้านแล้ว เ, เอาบ้านเราไปขายเอ า, เอาวัสดุไปขายเพราะว่าเกระเบื้องมีราคาดีก็เลยขอเอากะเบื้องไปขายแล้วเราจะอยู่ยังไงคิดกลับกันดูสินะ นั่ไปทำเบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าบาปแล้วคํำถามจากคุณบีนาหากเรานั่งสมาธิได้ประมาณครั้งละหนึ่งชั่วโมงแต่เราพบว่าเราโกรธง่ายขึ้นแสดงว่าเรามาผิดทางใช่ไหมคะควรแก้ไขอย่างไรคอ๋อไม่ผิดหรอกนั่งชั่วโมงอาจจะนั่งไม่สงบนีนั่งได้แต่ใจก็คิดนู่นคิดนี่อยู่อันนี้ก็ถือว่ายังนั่งไม่ได้ผลนั่งได้ผลแล้วจิตต้องนิ่งสงบ อิ่มใจสุขใจมีความสุขนี่ถึงจะเรียกว่านั่งได้ผลถ้ามีความสุขใจอิ่มใจเย็นใจความโลภความโกรธมันก็จะเบาบางลงไปแต่มันไม่หมดนียมันก็อาจจะโผลมาได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิว่าเรามีสติคอยควบคุมใจหรือไม่ mm hmm. บางเวลาเราเพลอสติแล้วไม่เคยคิดว่าจะโกรธอย่างนุนแรงมันก็อาจจะยังโกรธขึ้นมาได้ถ้ามีอะไรมาจี้ใจมาที่จุดดําของเราขึ้นมา แ้วเราเพลอสติไม่คอยคุมไว้มันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้อันนี้ไม่ใช่เป็นโทษของการมีสมาธิการมีสมาธินี่มันมันทำให้ใจสงบจริงแต่ออกจากสมาธิแล้วถ้าต้องการรักษาใจก็ต้องมีสติคอยคอยคุมใจต่อไปถ้าไม่มีสติปล่อยอารมณ์ให้ใจคิดใจอะไรไปตามความอารมณ์เดี๋ยวมีอะไรมากระทบไม่ถูกใจขึ้นมาก็อาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าการนั่งสมาธิแล้วจะโกรธไม่ได้จะโลบไม่ได้คาถามจากคุณนัตสุกิสงสัยว่าสงสัยเรื่องเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วทำไมลมหายใจจะหายไปและมักจะหลับคะอ๋อมันธรรมชาติของลมเวลาจิตเริ่มละเอียดลงลมมันก็จะละเอียดเบาลงไปตามธรรมชาติจนเราไม่สามารถรับรู้ลมได้เท่านั้นเอง แต่ไม่ได้ว่าลมจะหยุดหายใจมันอาจจะหายใจเบามากจนเราไม่สามารถไปรับรู้ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลก็ให้รู้เฉยๆไปตอนนี้ตอนนี้ไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมไปแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าคิดก็ต้องหยุดมันเท่านั้นเองคําถามจากคุณวัดขอเมตตาหลวงพ่อช่วยสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นโลกทิพย์จุดประสงค์เพื่อ จะได้เริ่มปฏิบัติละความประมาทค่ะอ๋อการปฏิบัตินี่ไม่ได้เพื่อให้เห็นโลกทิพย์โดยตรงการปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบมีความสุขฉะนั้นจะเห็นโลกทิพย์หรือไม่เห็นโลกทิพย์นี้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรให้ให้เชื่อว่าโลกทิพย์มีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วพยายามนั่งสมาธิไปตามใจให้สงบแล้วใจก็จะเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์เอง เพียแต่ว่าอาจจะไปอยู่ในโลกทิพย์ในส่วนที่ไม่ได้ไปติดต่อกับกายทิพย์ก็ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราไม่ได้ติดต่อกับกายทิพย์นี่จะแสดงว่าไม่มีกายทิพย์อันนั้นไม่ใช่การจะติดต่อได้นี่ก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งบางท่านก็อาจจะเข้าถึงบางท่านก็อาจจะเข้าไม่ถึงซึ่งไม่เป็นปัญหาอะไรเข้าไม่ถึงก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้เราเข้าสู่จุดที่ เป็นจุดที่มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจก็แล้วกันเพราเงะนเช่นนั้ น, น, นถ้าเราไปตั้งเป้าว่าจะต้องไปเข้าไปในโลกทิพย์แล้วต้องไปเจอสวรรค์เจอเปรตเจออะไรพอนั่งไปแล้วไม่เจอก็อาจจะทําให้เราเสื่อมศรัท ธ, ธาขึ้นมาก็ได้คําถามที่สองจากคุณวัดค่ะนอกจากการปฏิบัติภาวนาที่เป็นกุศลสูงสุดแล้วรบกวนหลวงพ่อ เมตตาแนะนำครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญที่เราควรไปทำบุญด้วยเพื่อให้มีกุศลที่ดีที่สุดในโลกทิพย์ครับเราก็ต้องไปหาเอาเองเราไม่ใช่เป็นออคนที่จะมาบอกคนนั้นคนนี้เราไม่ได้เป็นเซลแมนนะเรามีแต่บอกธรรมะก็พอแล้วส่วนครูบาอาจารย์ก็ต้องไปหากันเอาเอง คำถามจากคุณบีนาการตั้งจิตอธิษฐานแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างกับไม่ตั้งจิตอธิษฐานเลยแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างไหนดีกว่ากันคะก็เท่ากันน่มันแต่การตั้งจิตอธิษฐานมันน่าจะทำได้มากกว่าเพราะมันจะต้องถูกควบคุมบังคับให้ทำถ้าไม่ตั้งหรืออย่างวันนี้ถ้าไม่ตั้งใจมาวัดเดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวไปเที่ยวดีกว่าก็ไม่ได้มาวัด แต่ถ้าตั้งใจมาวัดเพื่อนโทรมาจะชวนไปเที่ยวบอกไม่ไปแล้วเพราะวันนี้ตั้งใจจะมาวัดก็จะได้มาวัดนั่นการตั้งใจมันดีกว่าแต่การที่จะทําตามที่ตั้งใจหรือไม่นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าตั้งแล้วไม่ทําตามตั้งใจก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งก็จะถ้าตั้งแล้วต้องทําตามที่ตั้งใจมันถึงจะได้ประโยชน์จากการที่ตั้งนั้นอย่าไปตั้งเฉยๆตั้งแล้วต้องทํา ถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำตามที่ตั้งได้หรือเปล่าก็อย่าเพิ่งไปตั้งไม่งั้นจะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆอ้วันนี้ไปวัดเดี๋ยวพอเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ลืมไปวัดแล้วไปที่อื่นนะคาถามจากคุณมงคลค่ะอินทรสังวรศีลกับศีลปกติต่างกันอย่างไรครับเขาามาอินทร์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสังวรก็คือสํารวมตาหูจมูกนิ้นกายไม่ส่งให้เราไปเห็นภาพ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะมากระตุ้นกิเลสให้เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติต้องการทําใจให้สงบจึงต้องสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงพอไปดูหนังฟังเพลงมันไม่สํารวมแล้วมันไปเปิดเอาไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่จะมากระตุ้นให้เกิดกิเลสขึ้นมาอันนก็ต้องละเว้นการละเว้นก็ถือศีลแปดนี่ก็เรียกว่าเป็นการถือศีลสังวรศีลแปดนี่ก็จะเป็นการ ห้ามไม่ให้ไปดูไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็คือการถือศีลแปก็ถือว่าเป็นการเจริญอินทรีย์สังวรแต่ศีลห้านี้ยังไม่ได้อินทรีย์สังวรศีลห้านี้เพียงแต่ละ ง, งับการกระทาบาปคาถามจากคุณการากระตัวมีความตั้งใจจะทาบุญในหลายอย่างเช่นบริจาคสร้างเจดีย์โบสถ์โรงพยาบาล หรือมูลนิธิต่างๆเป็นต้นแต่ด้วยงบเรามีจํากัดกราบเคาะคำแนะนําหลักในการพิจารณาเลือกหรือจัดสรรด้วยครับก็เหมือนกับเราซื้อของเ่ยเราซื้ออยากจะซื้อหลายๆอย่างมันก็ได้อย่างละชิ้นอย่างละอันถ้าซื้ออย่างเดียวก็ได้หลายชิ้นก็เราอยู่ที่ว่าเราอยากจะได้อย่างไหเราก็ต้องเลือกเอาถ้าอยากจะได้อ ได้ได้หลายๆชิ้นก็ซื้ออย่างเดียวถ้าอยากจะได้อย่างอย่างละชิ้นอย่างละอันก็ไปซื้อหลายๆอย่างได้ซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอย่างละชิ้นอย่างละอันแต่ถ้าชอบกระเป๋าก็ซื้อมันสิบใบไปเลยอันนี้ก็มันก็แล้วแต่เราแต่บุญที่ทามันก็เท่ากันบุญธรรมนี่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราไปทำอยู่ที่ว่าเราบริจาคไปมากน้อยเพียงไร บริจากร้อยบาทแล้วแบ่งไป1ิบบาทไปสร้างเจดีย์ิบบาทไปสร้างโบสถ์รวมกันแล้วทำไปสิบร้อยบาทมันก็เหมือนกับบริจากร้อยบาทไปสร้างเจดีย์อันเดียวบุญก็ได้เท่ากันไม่ได้นเพราะว่าบริจากเท่ากันบริจากจำนวนเงินไปเท่ากันบุญก็ได้เท่ากันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปทำบุญแบบไหนบุญแบบไหนนั่นเป็นเรื่องของความชอบ บางคนชอบโบสถก็ไปสร้างโบสถบางคนชอบเจดีก็ไปสร้างเจดีเหมือนคนซื้อของชอบกระเป๋าก็ไปซื้อลองซื้อกระเป๋าชอบรองเท้าก็ไปซื้อรองเท้าคําถามจากคุณณพลค่ะเวลาที่ใจมันเจ็บปวดจากสิ่งเร้าต่างๆเราจะทําให้ทุเราหรือหายได้อย่างไรครับก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราปวดราวหยุดมันด้วยการบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปถ้า ปวดเาเพราะแฟนไปมีแฟนใหม่ก็พยายามพุทโธพุดโธอย่าไปคิดยิ่งคิดก็ยิ่งปวดเล้าใหญ่อย่าไปคิดนะพอมันจะคิดพอจะปลดลวดเล้าก็พุดโธพุดโทพุดโธพุดโทพุดโธไปอย่าสู้กับมันไปถ้าเราไม่หยุดพุดโธเดี๋ยวมันต้องหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราปวดเล้าเองแต่ถ้าเราหยุดเราก็จะแพ้มันได้เราอย่าหยุดให้มันหยุดก่อนถ้ามันหยุดแล้วเราหยุดได้ไม่เป็นไรแล้วพอมันจะคิดอีกก็ค่อยหยุดมันใหม่ แต่ถ้าเราหยุดก่อนที่มันหยุดนี่เราจะแพ้มันแล้วมันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณหมูลิขิตถ้าเราเต็มใจที่จะทำบุญแต่ของที่เราได้มาทำบุญนั้นไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซน์เช่นได้เงินจากการพ น, นันถูกหวยแล้วเอาไปทำบุญเราจะได้บุญมากน้อยต่างกันไหมครับได้ได้เท่ากันบุญที่เราทำนี่มันบอยมันได้เท่ากันหมด แต่ว่าเราเงินเงินที่เราหามาไม่ถูกมันก็มีมันก็มีนี้เป็นหนี้ติดตัวมาเช่นไ ป, ไปขโมยเงินก็มาทำบุญอย่างเงี้ยมันก็ก็ได้บุญเหมือนกับเงินของคนที่เขาไม่ได้ขโมยมาจำนวนเท่ากันก็จะได้บุญเท่ากันแต่คนที่ไม่ได้ขโมยเขาก็ไม่มีหนี้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางส่วนคนที่ขโมยเงินมาถึงแม้วเงินมาทำบุญก็ยังลบล้างหนี้ไม่ได้ ยังต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์อยู่ยงั้นถ้าอยากจะทําบุญอย่าไปหาเงินมาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่สุดจริดเช่นทําบาปหรือเล่นการพนันมันได้ไม่คุ้มเสียสู้อย่าไปสู้อย่าไปทําดีกว่ า, าการรักษาศินได้นี่ก็ถือว่าดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินมาทําบุญแต่ถ้าเราไม่ไปทําบาปได้นี่ก็ดีกว่าการไปทําบุญด้วยการไปทําบาปไปเอาเงินมาทําบุญน คำถามจากคุณแหม่มในเทศกาลตรุษจีนมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองและพิธีกรงเต๊กมีการเผาบ้านรถยนต์ของใช้ต่างๆไปให้ญาติที่เสียชีวิตอย่างนี้จะได้รับบุญใหม่เจ้าค้ามันเป็นอะไรเหรมันเป็นกระดาษหรือเป็นบ้านเรอแล้วเผาบ้านแล้วบ้านมันจะไปกลายเป็นอะไรก็บอกแล้วบุญมันจะเป็นบุญก็ต้องเป็นการเอาเงินไปแลกเปลี่ยนอัตราเป็นงานเปลี่ยน เงินทองเท่านั้นเองเป็น เ, เงินเงินในโลกทิพย์ก็คือบุญถ้าเราอยากจะมีบุญเราก็ต้องเอาเงินที่เรามีอยู่ในโลกนี้เอาไปทําบุญพอไปทําบุญมันก็จะได้บุญมาถ้าอยากจะให้มีบ้านอยู่ก็เนี่ยมีเงินซื้อบ้านก็เอาเงินซื้อบ้านนี้ไปทําบุญให้หมดนแล้วก็ไปเช่าอยู่เช่าบ้านอยู่แทนไายไปก็มีบ้านทิพย์อยู่รอเราอยู่แน่นอนคำถามจากคุณติดสุข ผมนั่งสมาธิกำหนดพุทโธพอความนึกคิดเริ่มหมดไปกับก็หยุดพุทโธดูลมเข้าออกที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆพอลมหายใจเบาเกือบจะหมดไปก็ไม่สนใจลมแต่ยังรู้สึกถึงลมเข้าออกเบาๆแล้วกำหนดจิตอยู่ที่ความว่างทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ ควรจะอยู่ที่ลมอย่าไปอยู่ที่ความว่างนอกจากว่าไม่มีลมแล้วถึงจะอยู่ที่ความว่างต่อไปได้ถ้ายังมีลมอยู่ควรให้อยู่กับลมอย่าไปเลือกสนใจเพราะถ้าเราไปเลอกสนใจลมเดี๋ยวมันไม่มีอะไรกากับใจเดี๋ยวใจมันก็จะหลอกเราได้ปรุงแต่งขึ้นมาได้ยิ่งห้อยู่กับลมไปจนกว่าลมจะหายก็ให้รู้ว่าลมหายไปแล้วก็อยู่กับความว่างไปดูว่าใจจะคิดจะปรุงอะไรขึ้นมาหรือเปล่า ถ้าคิดปรุงก็ใช้สติที่เรามีอยู่นั้นหยุดมันได้คำถามจากคุณะเนศทำไมคนหลงแหล่งอโคโจรกันครับพระอาจารย์เพราะไม่มีใครสอนไงเหมือนกับยาเสพติดเนี่ยไม่มีใครสอนว่ามันเป็นโทษมีแต่คนสอนว่ามันดีถูกคนหลอกกันไอ้เสพแล้วสุขนะสบานหันแหลกเลยขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแต่มันไม่ได้บอกว่า ตวันนั่งเป็นด้วยแล้วเดี๋ยวพอหมดมันก็จะตกนรกทั้งเป็นด้วยมันบอกครึ่งเดียวก็เลยหลงกันไม่มีให้ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าให้ข้อมูลต้องบอกเออเสพยาเสพติดมันก็สุกนะเวลาเสพเนะี่ยแต่พอเวลามันหมดฤทธิ์แล้วนี่มันจะตกนรกทั้งเป็นนะถ้าไม่มีมาไม่มียาให้เสพใหม่จะเลือกเอาจะเอาอยัางไงดีรือจะอยู่บนบนบ น, บนโลกธรรมดานี้แต่ไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์ แต่ถ้าเสพยาเสพติดแล้วสุขก็สุดๆแต่เดี๋ยวเวลาทุก์มันก็จะทุกข์สุดๆเหมือนกันเนี่ยคนไม่มีใครสอนว่าการไปเสพอบายามุขต่างๆนี่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจในภายหลังตอนต้นมันสุกมันสบายมันสนุกกันแต่พอมันเงินหมดแล้วมันจะทุกข์มันจะเดือดร้อนกันคาถามจากคุณบีนาเมื่อนั่งสมาธิแล้วพบว่าจะมีแมงหวีมาเข้าหู ทำให้กลัวออกจากสมาธิซึ่งจริงๆอาจมีแมงวีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ทำอย่างไรจะไม่ให้ใจกลัวเจ้าคะก็อย่าไปสนใจมันมันจะเข้าไปก็เข้าไปบางทีใจเรามันหลอกเราคันตรงนั้น เ, เจ็บตรงนี้อยากจะกืนน้ำลายอะไรต่างๆอันนี้ถ้าไปสนใจเราก็จะเสียสมาธิพอไปขยับร่างกายมันก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกับปเริ่มต้นใหม่ งั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายพอเรานั่งสมาธิแล้วก็ร่างกายจะมีอะไรมาเกาะมาแตะมากัดมากินก็ปล่อยมันกัดมันกินไปเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของจิตมันปรุงแต่งหลอกเราเท่านั้นเองคําถามจากคุณประกรณ์วิทย์การที่ผมผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งในศีลห้าจะทําให้ผมนั่งสมาธิแล้วไม่มีความสุขเหมือนเดิมเวลาออกจากสมาธิ ก็ไม่มีความสุขต้องทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็อย่าไปทำผิดสลต่อไปมันก็ความผิดที่เราทำมันก็จะไม่มาลบกวนใจเราถ้าเราไม่ไปทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จางออกไปจากความจำเราแต่มันไม่หายมันยังมีผ ล, ลต่อต่อจิตใจของเราเพียงแต่ว่ามันไม่มาอยู่ในความคิดความจำของเราตอนที่เรานั่งสมาธิมันก็จะไม่มาลบกวนใจเรา ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการที่การจะบรรลุทำขั้นต่างๆนี้ไม่จำกัดการอายุเวลาหรือภรรษาใช่ไหมครับและเราก็มองคนเปลือกนอกที่กิริยาท่าทางไม่ได้ใช่ไหมครับ อ, อไม่ได้หรอกเรื่องจิตใจนี่มันมองตามกิริยาไม่ได้เพราะกิริยายังเป็นเหมือนกันอยู่พระพุทธเจ้ายัางต้องเดินยังต้องกินยังต้องดื่มน้าอยู่จะเป ไปไปเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าก็อีกคนหนึ่งมันก็เหมือนกันคนที่มีกิลเลส ก, ก็ยังกินน้ํากินข้าวอยู่ยังเดินยังอะไรอยู่เหมือนกันยังจะดูทางกิริยาไม่ได้จะดูได้ทางใจก็มีสองวิธีถ้ามียานก็เร่งเข้าไปดูได้ถ้าไม่มียานก็ต้องคุยกันต้องสอบถามกันสอบภูมิกันถึงจะรู้ว่ามีมีภูมิหรือเปล่าคําถามจากคุณทนัน ตัวนี้ตั้งใจอยู่บ้านได้มีโอกาสฟังทำพระอาจารย์และนั่งฟังในท่าสมาธิโดยในมือได้ถือหินพระทาตเอาไว้ขณะฟังได้ยินเสียงพระอาจารย์ดังขึ้นและรู้สึกได้ถึงร่างกายเราเพียงช่วงหน้าอกและหน้าท้องรู้เพียงรู้เพียงพอขึ้นรู้พองขึ้นและยุบลงไม่กลืนน้ำลายไม่ได้นั่งสมาธิ แต่นั่งฟังอย่างตั้งใจแต่เหตุใดเราจึงไม่รู้สึกถึงการมีแขนขาแม้กระทั่งศีรสะแต่รู้เพียงการมีอยู่ของช่วงหน้าอกถึงท้องตามที่มีลมหายใจเข้าและออกไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของสิ่งที่ถือไว้ในมือขณะที่นั่งอยู่แบบนี้คืออะไรชอกะเพราอใจเริ่มถอนออกจากร่างกายไ พอใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเนื่องหนึ่งอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหรืออยู่กับการฟังธรรมใจมันก็จะถอนออกจากตาตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่มันยังถอนไม่หมดเท่านั้นเองถ้ามันสงบแล้วมันจะร่างกายนี้อาจจะหายไปจากความรู้สึกเลยก็ได้คำถามจากคุณวิทย์หลังจากที่ออกจากสมาสมาธิภาวนาที่นิ่งนา น, านาแล้วให้พิจารณาวิปัสสนา แต่ถ้าบางวันทำสมาธให้ดิ่งลึกนิ่งนานๆไม่ได้เราจะพิจารณาวิปัสนาไปพร้อมกับทำสมาภาวนาได้เลยไหมครับไม่ได้หรอกไม่ควรเพราะพิจารณามันก็จะไม่สงบพิจารณานี้มันจะทำให้จิตต้องปรุงแต่งใช้ความคิดถ้าต้องการให้ใจสงบต้องพยายามใช้สติเพ่งอยู่กับอะไรอาการใดาอาการหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่สงบก็แสดงว่าสติเราวันนั้นไม่ดี ก็พยายามเวลาออกจากสมาธิมาก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาออกมาแล้วพยายามเจริญสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราค่อยไปเจริญปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาไม่เชฉะนั้นถ้าเราสมาธิยังไม่ดีเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างพอออกมาแทนที่จะเจริญสติต่อหยุดความคิดต่อกับเอามาพิจารณาใช้ความคิด มันก็จะทาให้เราไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้เวลาที่เราจะเข้าสมาธิางั้นปัญญานี่รอไว้ก่อนนะไม่ไม่ต้องรีบร้อนอ่ะเอาสมาธิให้มันได้ก่อนเรียนให้จบระดับประถมก่อนใช่ก่อนที่จะไประดับมัธยมอย่าไปรีบข้ามชั้นนะแล้วเดี๋ยวมันก็เรียนไม่ได้เดี๋ยวก็สู้เขาไม่ได้ไปแล้วก็จะตกงั้นอย่าเพิ่งไปทางปัญญาถ้าทางสมาธิเรายัางไม่ชนานาญ ให้ชำนาญเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการสงบได้ยาวได้นานตามที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นน่ะถึงออกมาทางปัญญาได้หลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วคำถามจากคุณธนรัตน์ลูกสาวอายุเก้าขวบเวลาประมาณตีสามเขาจะขึ้นสวรรค์ไปเรียนไปเที่ยวสวรรค์ทุกคืนแล้วมาเล่าให้ฟังว่าไปใส่บาตพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วอยากทราบว่า เขาเคยทำบุญถึงขั mind, ้นระดับไหนมาถึงได้ไปแบบนั้นได้เจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็พระเจ้าบอกว่าถ้าทำความดีทำบุญเมตานอนหลับก็จะฝันดีจะฝันในรูปแบบไหนก็มันก็เป็นเรื่องของแค่รูปแบบเท่านั้นเองแต่โดยสรุปมันก็เป็นอนิสง์ของบุญของการทำบุญทำทานของการไม่เบียดเบียนผู้อื่น จะทำให้เราเวลานอนหลับเราจะฝันดีไม่ฝันร้าย yeah. หมดแล้วเลยครับอาจารย์คุณนินดค่ะถ้าเราฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นบาปไหมขอรับถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็ไม่บาปแต่แต่มีตั้งใจแล้วมาคิดว่าไม่ตั้งใจนี่ก็บาปอยู่เพ อ, อย่างจะตบยงเนะต่เป็นแก้งไม่รู้แล้วก็เอามือข่อ้นน <c oughs> ี่แก้งแก้งแบบไม่ตั้งใจมันก็ยังบาปอยู่ คือเราต้องรู้แก่ใจของเราว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจแต่มาแกล้งบอกว่าไม่ตั้งใจมันก็บาปอยู่ดีคำถามจากคุณพนิรัตเมื่อก่อนอธิของคุณพ่อบรรจุอยู่ที่ซุ้มประตู ว, วัดค่ะแต่ปัจจุบันวัดได้มาสร้างห้องน้ําติดซุ้มประตูที่เก็บอธิและชาวบ้าน ที่มีก็สร้างตุ๊กเล้าไก่ติดกระซุมประตูที่เก็บอธิอย่างนี้จําเป็นไหมเจ้าค้าที่จะต้องย้ายที่เก็บอธิค่ะความจริงไม่จําเป็นหรอกอธิมันก็ไม่รู้มันอยู่กับใครมันอยู่กับเล้าไก่มันอยู่กับห้องน้ํามันก็ไม่รู้เราไปคนรู้เราไปเดือดร้อนแทนอธิเองเข้าใจไหมไงั้นถ้าเราทําใจได้ก็ไม่ต้องไปย้ายมันที่เราย้ายเพราะเราทําใจของเราไม่ได้ คำถามฝากถามค่ะพอได้ฟังพระอาจารย์เทศธรรมะให้ฟังรู้สึกจิตใจสงบตอนเวลาฟังธรรมแต่ในชีวิตประจําวันต้องเจอเรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจอีกพยายามจะทําใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โกรธณขณะนั้นทําใจไม่ได้เลยเจ้าค่ะมันยากจริงๆอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นธรรมจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะต้องทําอย่างไรดีเจ้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคือปัญญายังไม่ไม่สำคัญเท่าสติ ไม่มีสติที่จะยับยั้งความอารมณ์ต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้นงั้นพยายามฝึกสติยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญามันพยายามหัดพุทโธพุทโธไว้แล้วพอไปประสบพบกับอะไรเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็รีบพุทโธพุทโธไปมันก็จะยับยั้งอารมณ์ได้ปัญญานี่มันยากกว่าสติงั้นถ้ายังไม่มีสติอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเอาเอาสติให้ได้ก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อน เมืควบคุมความคิดได้แเราถึงจะสามารถบังคับความคิดให้คิดไปทางปัญญาได้ถ้ายัางควบคุมความคิดไม่ได้จะให้มันคิดไปทางปัญญามันไม่ยอมคิดมันจะคิดไปทางกิเลสตามสันดานของมันตามนิสัยของมันยังต้องหยุดมันก่อนหยุดสันดานของกิเลสก่อนพอมันจะสร้างอารมณ์ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนหยุดมันให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วค่อยมาคิดด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเขานะ พขาเป็นอย่างนี้เราอยากเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นพอไม่ได้นังใจอยากเราก็เลยเกิดอารมณ์เสียอารมณ์ขึ้นมาเสียโกรธขึ้นมาฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทางปัญญ า, ามาทางสติก่อนพุโทโธพุโทโธกันหยุดความคิดหยุดอารมณ์ก่อน youtube ค่ะอ่ามาเลเซียสามารถทานเป็นปลานะได้ไหมเจ้คะเราไม่รู้หรอกมูลนี้เราไม่ได้ฉันอะไรพวกนี้เลยมีแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวนี่ปลอดภัยที่สุด คำทำจาก YouTube คนทำที่สองค่ะคุณจงแจ้งเมื่อก่อนนึกถึงความตายจะกลัวไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ทําทานศีลภาวนาฟังธรรมนึกถึงความตายบ่อยๆมันไม่กลัวเหมือนก่อนรู้สึกได้ว่าตายไปก็ดีอย่างนี้ความคิดหลอกเราไหมเจ้าคะไม่หลอกเป็นความจริงก็เหมือนคนที่คิดว่าโลกแบนก็ไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลเดี๋ยวกลัวจะตกขอบขอบโลกไป แต่ตอนหลังนี่รู้แล้วว่าวิ่งไปเถิดไปไม่มีวันตกขอบโลกไปแล้วจะได้ไปเจอดินแดนใหม่ที่ดีกว่าดินแดนเก่าออก็เลยไม่กลัวตายแร้อ ว, ว่าตายแล้วจะไปอยู่สุขสบายกว่าเก่าไปกลัวทำไมใช่ไหมออถ้าเรามีบุญมีกุศลพาไปเราจะไม่กลัวตาย เ, ออเราจะมีความมั่นใจดีเสียอีกอยู่กับไอ้โลกนี้วุ่นวายจะตายไปออไปอยู่กับความสงบอยู่บนสวรรค์ดีกว่า ขออนุญาตทำคำถามสุดท้ายครัอาจารา okay, าย์จากคุณทเนศค่ะกราบเรียนหาว่าการทําสมาธินี่ตัวรู้กับจิตเป็นตัวเดียวกันไหมครับถ้าเป็นคนละตัวแล้วเราควรจะแยกจิตกับตัวรู้อย่างไรครับคือคําว่าจิตนี่เราเรียกเรียกตัวรู้ว่าจิตเนี่ยหรือตัวคิดเนี่ยตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเรียกว่าจิตใจบางทีเราก็เรียกว่าจิตบางทีเราก็เรียกว่าใจบางทีก็เรียกว่าจิตใจ แต่ความหมายก็คือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยบางทีเราก็ไปเรียกตัวตัวจิตว่าเป็นตัวคิดแล้วก็ไปเรียกใจว่าเป็นตัวรู้งั้นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าจิตกับใจว่ามันก็หมายถึงไอ้ตัวคิดกับตัวรู้เท่านั้นเองมันมีสองตัวมันทำงานสองหน้าที่ตัวเดียวกันแต่ทำสองหน้าที่เหมือนมีแขนซ้ายแขนขวาตัวรู้ตัวคิดมันไปด้วยกันมันเป็นตัวเดียวกันเรียกว่าจิตใจ เวลามันคิดเราก็เล็กกว่าจิตเวลามันรู้ก็เล็กกว่าใจแต่มันเป็นตัวเดียวกันมันไปด้วยกันเอาแล้วนะคิดว่าพอสมยาบหมดหมดเวลาแล้วเหมือนกันลา <c oughs> บ, บากต้องส่งไมโครโฟนไปเมื่อกี้ก็ไม่ถามเอาเอาว่ามาดังๆเอาคือครูอาจารย์บอกผมเรื่องธรรมะเรื่องหนึ่ง ข้อนว่าไม่คิดผมก็ไปทบทวนแล้วก็นั่งสมาธิพิจารณาดูอ่ า, า, อาผมเข้าใจดังนี้ครับอาจารย์คําว่าไม่คิดเนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยคือผมใช้ตัวคิดเนี่ยไปคิดอดีตแล้วก็อนาคตนี่ทําให้ติดฟุ้งซ่านแล้วก็นั้นทีนี้ผมตอนเนี้ยผมเริ่มเข้าใจว่าอ่าไม่คิดเนี่ย ผมใช้ตัวรู้รู้ในปัจจุบันคือตาที่มองเห็นรูปก็สักแต่เห็นแล้วไม่คิดไม่ต่อยอดตรงนี้ไม่ทราบว่าอ่าที่ผมเข้าใจถูกไหมแล้วผมจะได้นาปฏิบัติติดต่อไปครับอวิธีไหนที่ทำให้เราหยุดคิดได้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้พุทโธก็หยุดคิดได้ใช้การดูอะไรแล้วก็ไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นมันก็ไม่คิดไม่ได้ งันวิธีที่จะหยุดคิดมันมีสี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบงั้นวิธีไหนก็ได้ถ้าหยุดคิดได้ก็ใช้ได้สรุปแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าไม่คิดเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต่อไปนี้ผมจะไม่คิดเพียงแต่รู้อย่างเดียวครับถูกต้องนะอาจารย์ผมไปปัญญาอ๋อตอนต้นก็ไม่คิดก่อนแต่พอสั่งให้มันไม่คิดได้แล้วต่อไปก็ต้องสอนให้มันคิดคิดในทางเป็นทางปัญญา เพรเพียงแต่หยุดคิดนี่ยังมันฆ่ากิเลสไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงยังโผล่ขึ้นมาได้งนั้นวิธีจะทำให้ความโลภความโกรธความหลงไม่โผล่ขึ้นมาต้องสอนให้มันคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแล้วมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโกรธอันนั้นอีกขั้นหนึ่งขั้นแรกหยุดคิดก่อนแต่การหยุดคิดนั้นยังไปไม่ถึงนิพพานจะให้หยุดจะให ไปถึงนิพพานนี้ต้องสอนใจให้ให้ให้เลิกอยากเลิกโรคเลิกโกรธด้วยด้วยความคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางไตรักษอีกทีหนึ่งครับโอเคนะผมจะนำไปปฏิบัติหยุดคิดให้ได้ด้วยการใช้สติและปัญญาไตรักษมาํำกับครับโอเคก็พอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ